بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام ت ั ا ส ل معك า أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد ا ل غ ا م د ي الشريف ا ل ر ا ب ع ويحتوي على س و ر ت ي ن المائدة والأنعام بود المائدة بن بود مدنياه 220โลงกาดบดที่ยาวพอสมควรเช่นเดียวกับบด มาดานียะโดยทั่วไปอบูไมยซาร์กล่าวว่าบทอันมากีดะห์เป็นบทสุดท no ้ายของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาองค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใดบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะละสัลลัมกลับจากอัลฮุดัยบียะสาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วย ข้อที่ขาดเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาต่างๆการเชื่อสัตว์การล่าสัตว์และการคลองอยรอมเพื่อประกอบพิธีฮัตการแต่งงานกับหญิงชาวคำทีการตกศาสนาความสะอาดบทลงโทษการลักขโมยบทลงโทษผู้ก่อการร้ายและ่อกความวุ่นวายในสังคมข้อที่ขาดเรื่องสุราและการพนันการชดเชยในเรื่องการสาบาน การฆ่าสัตว์ในขณะคลองเอีย้ยหองพิในกรรมปอนตายและข้อที่ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของอลัลลอฮ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์เช่นเรื่องราวของวงวานอิสราเอลกับนบีมูซาที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืนจึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึงสี่สิบปี เรื่องราวของลูกนบีอาดัมสองคนคือกอบินและฮาบินเกิดความฉาริษยากันเป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบิ น, าาบนซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเรื่องสําหรับอาหารคืออัลมาอิดะซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีซาบุตรของมารยมที่ปรากฏต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่าน เรื่องราวของยาฮูดีและนัสรนีที่มีความเชื่อผิดๆ ด, ดิดพริ้วสัญญาบิดเบือนคำพีเตาร้อและอิงยินปฏิเสธสารที่ท่านนาบีมอมัตส์สลลัอลอะไลวะสลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานาการณ์นหน้าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนาบีอีซาอาลัยฮิสลาม จะยังไม่ชาวกัมพีได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดพวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่าอันมาอีดะนั่นก็คือเมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดขอต่อนดีอีซาอัลัยสุลามให้มีสําหรับอาหารประทานลงมาจา ก, ากฟ้าฟ้าออลเราได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่า เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึง่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นาศนาสนทูตจากอัลลอ์มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้นด้วยพระนามขององค์พะผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาออย่าเหล่าทีน่อัมรุอัฟบุลกูด อพิลละลคุบหีมตุอันงามิอิลลามายุตลาอลัยตุรมิลลิด غيرم ุ حّل الصيد وألتمفرم إن الله ม ح ك م ما يريد อบาดาพุสัตถาทั้งหลายทรงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทขสุสัตว์นั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอรองแท้จริงอลอนนั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอิยุฮัลล์ีนาอามนลทูฮิลูชาอีรัลลอฮละทูฮิลูชอรัลลอฮะลฮรัฮระละบียะลลาด ولا ا ل ق ل ا َ ولا من البيت الحرام يبتغون ت ْ ل م ا ل ظ ب ّ ه م و ر ب و ا ن ا وإذا حلمت فاصطادوا ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدو الله الله د د โอภูสถาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอ์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์ปลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์ปลี และบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยสแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระไทยจากพระผู้อวยบานของพวกเขาแต่เมื่อพวกเจ้าเครื่อนเยี่ยมรอมแล้วก็จงลา่าสัรนได้และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มสัสยิดฮะรอมทาให้พวกเจ้ากระทําการละเมิดและพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่อลาะ และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ ت ت ดดหลลิิิมอลลยุวดนบ والمنخلقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذ ك ي ت م وما أكل السبع إلا ما ذكى ثم وما ذبح على النصب وأن تستقصموا بالأزلام ذلك ف س ف س اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهن وخشون اليوم أثملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ا ض ط ر ّ في مخ م ص ٍ غير متجانف ل ث ت م ت إن الله غفور رحيم ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วสัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเ อ, อินน้ำอื่นจากอโลที่มันขณะเชื่อดและสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและสัตว์ที่ถูกตีตายและสัตว์ที่ตกเหวตายและสัตว์ที่ถูกขิดตายและสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชื่อดกันและสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชาและการที่พวกเจ้าเสี่ยงภัย ด้วยไม้ติ้วเหล่านั้นเป็นการละเมิดวันนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหมดหวังในาศาสนาของพวกเจ้าแล้วแต่นั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งาศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความเมตตากรุณาของข้าและข้าได้ยินยอม ถ้อิสลามเป็นาศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วและผู้ใดได้รับความคับขันโดยความหิวหวยโดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทําบาคแล้วไซ่แน่นอนอัลล่อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยาสะลูนคมาดาอุ <S <S ิลละหุมกลอุิลละคุม الط ยบาทวมาอันลมทุมมินัลจวาริหิมกัลฟิบีน و َمَا ع so َ ل َّ م ْ ت ُ م مِنَ الْجَوَارِئِ مُكَلِّبِينَ ت ُ ع َ ل ِّ م ُ و ن َ ه ُ ن مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا م ِ م َ ا أَمْسَثْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ س َ ر ِ ي ع ُ الْحِسَابِ เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามูหัมมัด่าว ที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดีๆทั้งหลายและบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าได้ฝึกสอนมันโดยฝึกสอนมันตามที่อลัลลอ์ได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้พวกเจ้าได้และจงกล่าวพระนามของอลัลลอฮ์บนมันเสียก่อนแต่จงยำเกรงอลัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน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 วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคําผีนั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนจากพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าด้วยเมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่พวกนางซึ่งชิงสอดของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานไม่ใช่เป็นผู้กระทำดีนาคือละเมิดทางเพศและไม่ใช่เป็นพวกคบชู้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาจะไร้ผล يا أيها الذين <سؤال> آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ج ه ك م وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا تطهروا ف إ ن كنتن ا ل ض ا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم ف ل تجدوا ما أن ت ي م صعيدا طيبا فتيمموا تمسحوا وليتم صعيدا طيبا وأيديكم يريد ليجعل عليكم بوجوهكم من ما ولكن ولكن يريد يريد ليطهركم حرج الله ليطهركم عل من โอ ل َ ك ถา ع ทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าต้องการจะปฏิบัตินมาอก็จงล้างใบหน้าของเจ้าและมือของพวกเจ้าถึงข้อสอบและจงเช็ดศีรษะของพวกเจ้าและล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุ่มทั้งสองและหากเจ้ามีจานาบะก็จงชำระร่างกายให้สะอาดและหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาและพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี แล้วลูกใบหน้าของเจ้าและมือของเจ้าจากบินนั้นอลัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อให้เกิดความลำบากใดๆแก่พวกเจ้าแต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดและเพื่อความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจกขอบคุณ เราจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอ์ที่มีต่อพวกเจ้าและสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำมันไว้แก่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้ว และพวกเราเชื่อฟังแล้วแต่พึงยังเกรงอลลอดเถิดแท้จริงอลอนั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอกกลบยออ โอ้ผู้สถาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นพยานด้วยความเพียงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิดมันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงยิ่งกว่าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด ถ้าจริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำโอ้ดัลลอฮ์ผู้ที่เลื่อมใสและกระทำสันติ์พวกเข า, าได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่คกรุ๊บและคดกรุบในขอเท็จจริ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาโอมการของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงดำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าขณะที่พวกหนึ่งตั้งใจที่จะยื่นมือของพวกเขามาทำร้ายพวกเจ้าและพ ร, ระองค์ก็ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสียและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เธอณนะอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเธอ ولقد أخذ الله م ا ق ب ل ي إسرائيل وبعثنا منهم م ئ ث ي ن وعشرة نبيا، وقال الله إني معكم، لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت م ب ر س ُ ل ي وعززتمهم وأقربتم الله قربا حسنا. وأقرّتم الله قرضا حسنا لأُكفّرّن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ج ن ا تجري جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا ء السبيل แต่ท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้นสิบคนแล้วเราได้ทรงกล่าวว่าถ้าจริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระจะการและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแน่นอน ข้าจะลบล้างความทุกขของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้าและแน่นอนข้าใช้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้วแน่นอนเขาได้หลงไปจากทางอันเที่ยงตรงบ บ, นนงบีีมมมกตย ย حرفون الكلمة عن و ا ض ع ه ونسوح الضم مما ذكرو به ولا تزال تقلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعطف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين. ณณการที him, ่พวกเขาทําลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาบแช่งพวกเขา และให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทําการหยุดเบือนบรรดาไถ่คําให้เฉลี่ยออกจากตําแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้และเจ้าก็ยังมองเห็นการทุจโกงจากพวกเขาอยู่นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นดังนั้นเจ้าจงให้อภัยจากพวกเขาเถิดและจงยกโทษเสียแท้จริงลอลนั้นส่งชอบผู้ที่ทําดีทั้งหลาย َمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوحَ الظَّمْ مِمَّا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ذُكِّرُوا بِهِ ال إِلَىٰ يَوْمِ و จากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริ ا ต์นั้นเราได้เอาสัญญาจากพวกเขา แต่แล้วพวกเขาก็ลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้เราจึงให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาซึ่งการเป็นศัตรูและการเกลียดชังจนกระทั่งวันเกียรมาและเราจะทรงบอกเขาเหล่านั้นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ S <S <an> โอ้ชาวคำพีทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะแกล้งแ ก, งแกง่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคำพี และเขาจะงดเว้นไว้มากมายถ้าจริงแสงสว่างจากอัลลอ์และคำเพีอันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดวยคำเพี้ยนนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความถุงพอพระทายของพระ สบนาทางแห่งความปลอดภัยและจะส่งให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะส่งแนะนำพวกเขาสู่ทางอันที่ยงตรงแกอัที่สที่กล่าลูอินันแหละทีะเจ้าบรนมัรยซูุลฟะมันียล้กุมู้ทีลอาววัานั่นละระจานให้พระเยซูบุตมเรียมแะมารา إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه وما في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير. แน่นอนได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบรรดาผู้ที่กล่าวว่าถ้าจริงอัลลอฮ์นั่นคือ อัลมาซีบุตรของมารยาัาชมงคล่าวเถิดมโนใหม่ว่าใครเล่าจะมีอำนาจครอบครองสิ่งใดจากอัลลอฮ์ได้หากพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำลายอัลมาซิบุตรของมารยาและมารดาของเขาและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดแลงอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วลอ้ลลนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل ف ل م َ يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر ל م ن يشاء ويعذب من يشاء บรรดาชาวยูและชาวคริสได้กล่าวว่าพวกเราคือบุตรของอัลลอฮ์และเป็นที่รับใคร่ของพระองค์จงกล่าวเถิดมอ ม, มัดว่าแล้วฉไนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเจ้าเนึ่องด้วยความผิดของพวกเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นดอกพวกเจ้าเป็นสามัญชนในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงบังเกิดมาต่างหาก ซึ่งพระองค์จะทรงอภัยโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอำนาจทางบัลดาชั้นฟ้าและทานดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างนั้นและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไปยาอัลกิตาบิกาดิจาขุนรัสูลน้ายูบัยนุละคุมอาลาล โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนาูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะชี้แจงแก่พวกเจ้าตามวาระสมัยที่ได้ว่างเว้นศาสนาูต ทั้งนี้เนื่องจากการที่พวกเจ้าจะกล่าวว่าไม่ได้มีผู้แจ้งข่าวดีคนใดและผู้แจ้งข่าวร้ายคนใดมาอย่างพวกเราแท้จริงได้มีผู้แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วล้นั้นทรงเดชะรูปภาพเหนือทุกสิ่งอ آ ا أ ا และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพึงรำลึกถึงความโปรดปารานของอัลลอฮ์ที่มีแด่พวกเจ้าเถิดเพราะว่าพระองค์ทรงให้มีบรรดานบีขึ้นในหมู่พวกเจ้าและได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นกษัตริย์และได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า สิ่งที่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายโอ้กลุ่มชนของฉันจงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ที่อัล้อได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถอดและจงอย่าหันหลังของพวกเจ้ากลับ เพราะจะทำให้พวกเจ้ากลับกลายเป็นผู้ขัดถอยามูซาอิอนนฟฮจับบารีนวอิน น, นดูุลฮฮัตตายัครจูมินฮฟยัครจูมินฮฟนนดิลนพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาแท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธินั้นมีพวกที่โหดเหี้ยมแต่พวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขาะ จนกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นั้นแต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นั่นแล้วพวกเราจึงจะเป็นผู้เข้าไปข้าว่าานีัวการกระทองพระ้าพวม่ดอเนปรแต่ถาพวาเขวาก็ะเปนะบะาพวกกจะถูกิมทน มีชายสองคนในหมู่ผู้ยังเกรงที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนั้นไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดทันเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นไปแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะและแอัลลอฮ์นั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้สัทาก เขากล่าวว่าอมูซาแท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปในที่นั้นโดยเด็ดขาดตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ในที่นั้นดังนั้นท่านและพระเจ้าของท่านจงไปเถิดและจงต่อสู้โดยพวกเราจะนั่งอยู่ที่นี่ เขากล่าวว่าโอ้พระผู้เปของฉันถท้จริงฉันไม่มีอำนาจนอกจากตัวของฉันเองและพี่ชายของฉันเท่านั้นดังนั้นโปรดได้แยกระหว่างเรากับกลุ่มชนผู้ละเมิดด้วยเถิด พรอะองค์ a ตรัดว่าถ้าจริแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะเหยะแร่ร่อนไปในฝืนแผ่นดินดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิด เล่านั้นเลยวัดลู ع ه م ب آ د ب ا ح ق إذ قرب ق ر ب ا ن ن أحدهما ولم ي ت ق ب من ا آ خ ق ا ق قال إنما يتقبل الله من ا ل م ت ق แต่เจ้าต้องอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งเรื่องเกี่ยวกับบุตรชายสองคนของอาดัมตามความเป็นจริง ขณะที่ทั้งสองได้ทำการพรีซึ่งของพรียอยู่นั้นแล้วของพรีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคนและมันไม่ได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขากล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรับจากผู้ยำเกรงเท่านั้น หาท่านยื่นมือของท่านมาอย่างฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปอย่างท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอินนีอูริดอัซาบูอบิอิสมิวอิสมิกฟะตูนอัาดินา แท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อาถรรพ์แล้วจิตใจของเขาก็คล้อยตามเขาในการที่จะฆ่าน้องชายเขาแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขา ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนหนึ่งในหมูม่ผู้ขาดทุลแล้วพระองค์ก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ ا أ ่งมาคุยหาในดิน เพื่อที่ให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังศพน้องชายเขาอย่างไรเขากล่าวว่าโอ้ความพินาษของฉันฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นกาตัวนี้แล้วฝังศพน้องชายของฉันเชียวหรือนี่แล้วเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เสียใจ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا และเราได้เจ้าพวกนั้นรุ่นเราไปเ ا ็นยีนัตแ ل ้วนั้นก็มีคนมากมายจากนั้นเราจึงได้บรรยัญญติแก่วงวานอิสราเอลอีกว่าแท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้ว ก็เสมือนว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งหมดและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็เสมือนว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งหมดและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนาทูตของเราได้นำหลักฐานต่างๆอันแ ท, ท, ทบแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้วแต่ยังมีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่ดินอินน์มซ่าอัลลตนีฮาริบุลลอฮวละ ถ้าเปินการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่อล้องและระดูนของพระองค์และพยายามบันทำลายในแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหาร หรือถูกตรึงบดไม้กางเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับข้าหรือถูกเนรเทศเออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอับปยตในโลกนี้และจะรับการลงโทษอันใหญ่หลวงในฟารโ์โร นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่พวกเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาเพิงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภยธธธธัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยเอเยฮ์ละีน่านุตตลลลวะนตะรูอิวีตวะฮิดูวะเจฮิดูฟีสบิลิลิละัลลัตุมสุฟลิฮู โผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยังเกรงล้เอเถิดและจงสแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์และจงต่อสู้ในทางของล้เอเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสาเมร็จ ت ت ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นหาพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมียิ่ยงนั้นอีกรวมกันเพื่อจะใช้มันไถ่ตัวให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามาแล้วมันก็จะไม่ถูกรับจากพวกเขา และสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสขเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะออกไปจากไฟนรุษแต่พวกเขาก็หาได้ออกไปได้ไหม่และสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษที่คงอยู่ตลอดไป วัสสาริกวัสสาริกะธุตราหูไอธิเหมั้จฯาอันบิมากาสดานคาลัมมินาลล้วลอดหขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสองคนทั้งนี้พก็ตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองได้แสวงหาไว้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอาล่ะและแล่อนั้นทรงเดชานุภาพ ส่งปริชายายแล้วผูได้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่เขาได้อาทธรรมรับปรับปรุงแก้ไขแล้วถ้าจริงอัลล่อนั้นจะส่งอภยโทษให้แก่เขา แท้จริงอัลล์นั้นเป็นผูสธธธ้สรงอภัยโทษผู้สงเมตตาเสมอข้ารเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮนั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่พระองค์จะทรงลงโทษผูดด้ใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงอภัยโทษให้แก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และล้อนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ي أ ت و ك يحرفون الكلمة بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا ف ق ُ و ه وإن لم تؤتوه فحذرو ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا อุล า, า, อ, อ, อ, ล อ, อ, าลอิค الذين ل ่ ي ล د ا ุ ل ه أي قهر قلوبهم لهم في ا ل د ن โอ้าศาสนาพุทธเ อ, อ๋ยจงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาพุทธิรีเร่งกันปฏิเสธศรัทธาจากพวกที่กล่าวใน่ปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้ว โดยที่หัวใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธาและจากพวกที่เป็นยิวด้วยโดยที่พวกเขาชอบฟังคํามุสาชอบฟังพวกอื่นที่ไม่ได้มุ่ง ม, มหาเจ้าพวกเขาบิดเบือนไถ่คําคหลังจากที่มันถูกวางไว้ในที่ของมัดพวกเขากล่าวว่าถ้าพวกเจ้าได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้และถ้าหาพวกเจ้าไม่ได้รับมันก็จงระวัง และผู้ใดที่ล้อประสงค์ที่จะทดสอบเขาแล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากล้อไปได้จนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พรองมิสรงประสงค์ที่จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาดโดยที่พวกเขาจะรับความอัปยศในโลกนี้และจะรับการลงโทษอันมหันต์ในพารนารนลก فإذا جاءك ت ح و ك و ُ بينهم أو أعرض عنهم وإنت عرض عنهم تري يضرك ش ئ ا وإل ح ك ت َ ح َ و بينه بالقصة إن الله يشجب ا م ق ِ ي ن พวกเขาชอบกันคำโกหกชอบกินสิ่งต้องห้าถ้ากพวกเขามาหาเจ้าก็จงตัดสียระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็จงหลีกเลี่ยงพวกเขาเสียและถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลยแลหากเจ้าตัดสินก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรม แค่จริงอัลลอ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรร ม, ม, มอย่างไรเล่าที่พวกเขาจใจเจ้าตัดสินทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขามีคำพีเตารอนอ ย, อยู่ซึ่งในนั้นมีข้อตัดสินชี้ขาดของอัลลอ์อยู่แล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ผินหลังให้ชนเหล่านี้แหละหาใช่เป็นผู้ศรัทธาใหมา بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا ب آ ي ا ت ثمن ا قليل وما لم ي ح ب م ا بما أنزل الله ف أولئك هم الكافرون. ซึ่งบรรดาณบีที่สวามิพักได้ใช้คมพีเตารอนตัดสิบนบรรดาผู้ที่เป็นอยู่แต่บรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์และนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้ใช้คัมภีรเตารอนตัดสินด้วยเนื่องด้วยในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้นั่นคือคำพี์ของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวมนุษย์แต่จงกลัวฆ้าเถิด แต่จงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาองค์การของข้ากับประธานเล็กน้อยและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธา َالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْلَ بِالْأُذْلِ وَالْسِّنَّ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ فَمَنْ فَهُوَ بِهِ بِمَا وَمَنْ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ يَحْكُمْ تَصَدَّقَ لَمْ هُمُ لَهُ اللَّهُ كَفَّارَةُ أَنْزَلَ เราได้บัญญัต um> ิแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่าชีวิตด้วยชีวิต ตาด้วยตาจมูกด้วยจมูกหูด้วยหูฟันด้วยฟันและบรรดาบาทแผลก็มีการชดเชยเช่นเดียวกันและผู้ใดให้การชดเชยนั้นเป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ลบล้างบาปของเขาและผู้ใดไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อลัลลอฮได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อารม وقفينا على آثاره بعيسى م ر ْ ي َ مصدقا لما بين يديه من التوراة و آ ت ي ن ا ه الإنجيل فيه دو ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدو وموعظة للمتقين. และเราได้อีซาบุตรของมารายามตามหลังพวกเข้ามาในฐานะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคำพินเตารรอดและเราให้คำพินอินเยลแก่เขาซึ่งในนั้นมีทางนำและแสงสวา่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือคำพินเตารรอดและโดยเป็นทางนำและคำตักเตือนแก่ผู้ยำเก่งทั้งหลาย ا أ และชาวคัมีรอินยินก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮได้ประทานลงมาในนั้นและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮได้ประทานลงมาแล้วชั่นเหล่านี้แหละคือผู้ที่ทำช่ว وَأَنزَلَ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا ّ بَيْنَ يَدَيْنِ مِنَ الْكِتَابِ و َ م ُ ه َ ي ِّ م ً ا عَلَيْهِ ف َ أ ح ْ ك ُ م ب َ ي ْ ن َ ه ُ م بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ مَعَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شذعته ومنهاجا ولو شاء الله ل ج ع ل ك م أ م ة و ا ح د ة ولكن ولكن ليبلوكم في ما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات และเราได้ประทานคำพีลงมาให้แก่เจ้าด้วยความจริงในฐานะเป็นที่ยืนยันคัมภีรที่อยู่เบื้องหน้านั้นและเป็นที่ควบคุมคำภีรเบื้องหน้านั้นดังนั้นเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อลัลลอฮฺทรงประทานลงมาเถอะและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่างของพวกเขา โดยเฉยออกไปจากความจริงที่ได้มาอย่างเจ้าสําหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้นเราได้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้และหากเอาล้อทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์พรทรงให้พวกเจ้าเป็นประชาชนเดียวกันแต่ถ้าว่าเพื่อที่พระองค์ทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันกันทำความดีเถอด อย่างอัลลอ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดและพระองค์จะส่งแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังขัดแยง้งกันบออลลลล ا أ และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮประทานลงมาเถิดและจงยาปฏิบัติตามความใคร่ใฝต่างของพวกเขาและจงระวังพวกเขาในขาะที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เฉยออกจากบางสิ่ง เท่าเราได้ทรงประธานลงมาให้แก่เจ้าแล้วถ้าหาพวกเจ้าพินหลังให้ก็พึงทราบเถรว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพียงประสงค์ที่จะให้ประสบแก่เขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงมีจํานวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ทาาลลําชั่ว ข้อตัดสินสมัยยาฮิลิยะกระนันรื้อที่พวกเขาปรารถนาและใครเล่าที่ก็มีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าล้อสำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่อล้อยาอิยูฮันละดีน่ามรูละตัดแทดุลเยูดะวนนาซารอุลียะบางโธมอุลียะบาง จทมมโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์เป็นมิตรบางส่วนของพวกเขานั่นคือมิตรของอีกบางส่วนและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขามาเป็นมิตรแล้วใสแน่นอนผู้นั้นก็เป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขา แท้จริงแล้วนั้นจะไม่ท่งให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อารัพ ามนแล้วเจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ในวัใจของเขามีโรคต่างรีบเร่งกันไปอยู่ในหมู่ของพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเรากลัวภัยพิบัติจะเวียนมาประสบแก่พวกเราอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำพระบัญชาอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ปรง และพวกเขาก็กลายเป็นผู้เสียใจต่อสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขาบรรดาผู้ที่สตากรา ว, ว่าชนเหล่านี้หรือคือผู้ที่สาบานต่อล้ออย่างจริงจังว่า แท้จริพวกเขานั้นอยู่ร่วมกับพวกเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลเสียแล้วดังนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้ขัดขืน أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ا س ع ن عليم. وبناء بساطات ت ا ن غ ل ا ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไปอลลาอฮ์ก็จะทรงนําพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์เป็นผู้นอกน้อมต่อบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาเชื่อมแข็งต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต่อสู้ในลุ่นทางของอลลอฮ์และไม่กลัวการตําหนิของผู้ใด น, นั่นคือความโปรดปานของอัลลาอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แลวลอนั้นเป็นผู้สรงกว้างขวางผู้สรงรอบรูอินนม่า وليكم الله ورسوله و, الل و, و ال ال ถ้าจริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอ์และรอสูลของผู้และบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติละหมาด และชำระพิษากาศขณะเดียวกันก็เป็นผู้นอกน้อง